Thank mm -hmm. you. ประเทศพมา่ามีวัดหนึ่งอาตมาไปเห็นแล้วก็ประทับใจมากชื่อวัดอนันทวิหารอายุได้เกือบพันปีละอยู่ที่เมืองพุ ก, กามคือแค่ได้ไปเห็นจะได้เข้าไปข้างในตัววิหารเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสัจจันใจเพราะว่ายัางรักษาของเดิมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ มันย้อนเป็นนึกถึงเมืองไทยวัดที่มีอายุนานๆขนาดก่อนสุขโขทัยเนี่ยที่ไม่ใช่แค่ซากปรักหักพังเนี่ยหายากอย่างไปสุขโขทัยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเมืองหลวงที่เก่าที่สุดของไทยเจ็700กว่าปีวัดวาอารามส่วนใหญ่ก็เป็นซากปรักหักพังแม้แต่อุธยาวัดที่ สมบูรณ์ก็หาได้ยาก ท, ทั้งที่อายุแค่400กว่าปีแต่อันนั้นก็เป็นเพราะว่าพม่ามาเผาแต่สุขโขทัยนี่ไม่เห็นเลยนะวัดที่ขนาด7 8 0 0ปปีแล้วก็ยังรักษาสภาพเดิมมันก็ว่าเข้าไปอยู่อาศัยเข้าไปทำพิธีการทางศาสนาได้วัดอ น, นันทวิหารนี่เป็นวัดที่มีชื่อมากนักท่องเที่ยวใคยๆที่ไปเมืองพุกาม ก็ต้องไปที่วัดนี้เพราะว่าสถาปัตยกรรมเขาก็สวยไปข้างในนี่ก็ลมเย็นลมเย็นพัดจากทุก ท, ทุกทางเขาสร้างเก่งมากแล้วก็มารู้ว่าที่วัดนี้เนี่ยหรือวัดอื่นๆในพุกามเนี่ยที่ว่ายัางรักษาสภาพดีได้ไม่โค่นล้มลงมาเพราะว่าเขาก่ออิฐได้เก่งมากมีวัดวัดหนึ่งนี่พระราชาสร้าง แล้วก็สั่งเลยนะว่าอย่าให้เวลาเกาะ อ, อิดให้มันติดกันสนิทเลยนะแม้แต่เข็มแทงเข้าไปถ้าเข็มแทงเข้านะในระหว่างรอยต่อเนี่ยทั้งคนนั้นจะถูกตัดมือเพราะฉะนั้นอิฐที่มาต่อต่อกันนี่เนี่ยมันจะแน่นสนิจทจนกระทั่งไม่มีรอยให้เข็มเนี่ยทิ้มเข้าไปได้เลย คิดดูใิว่ามันจะแน่นหนาแค่ไหนวัดอ น, นันทวิหารเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็แน่นทีเดียวแล้วก็ที่อัจจรรคือว่าพระพุทธรูปไม้นะเป็นไม้ยืนสูงสักหเมตรได้5เมตรนี่มันก็สองวาครึ่งได้หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะอายุก็เก้าร0ปีเหมือนกันยังตกมาถึงปัจจุบันได้ ตมานึกไม่ออกว่าเมืองไทยจะมีพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้ที่อายุขนาด น, นั้นเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเอาแค่200ปีก็หายยากแล้วแต่ว่าที่พระมานี่เห็นเยอะเลยแล้วเป็นพระพุทธรูปสวยจิตกรรมฝาผนัง9 0 0ปีก็ยังเห็นชัดมันนึงแล้วโอ้ของพระมานี่เขายิ่งใหญ่ของไทยเยอะของไทยนี่จิตกรรมฝาผนังของยุธยาอย่างวัดพระศรีสรรเพชญนี่ไม่เหลือแล้ว จะเห็นลายนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เห็นแตกหมดเพราะมันเป็นปูนกระทองมาของพมา่านี่ลายที่ยังบริบูรณ์นี่แอบจะอยู่เป็นส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาตัดเสียนผ้านี่ก็หายากนะมันมีอยู่นั่นในพม่าเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพระพุทธรูปที่ไม่มีเสียนแต่เมืองไทยนี่เต็มไปหมดพระพุทธรูปที่ไม่มีเสียนเนี่ย ธรรมดามากในเมืองไทยอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาแล้วก็รวมทั้งความเข้มงวดของชาวพุทธที่นั่นที่จะเล่านี้ก็จะพูดถึงพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ว่าเนี่ยเป็นพระพุทธรูปยืนเก่ามากสวยเป็นสีทองแต่ทำด้วยไม้แค่แผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวเลยนะแต่ว่าความกว้างเนี่ยมันกว้างประมาณ3เมตรได้เป็นไม้สัก คือเอาเลี้ยวกว้างกว่าตัวคนนอน3ามเมตรตคูณได้ยาวสูงนี่อาจจะ6เมตรก็ได้กว้างเกือบ3เมตรใหญ่มากพระเจ้าลุมนี้ก็จะมีอยู่สี่ทิศอย่างที่บอกไว้แล้วเคยบอกไว้แล้วว่าที่พระมาณนี่เอาอย่างนับถือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อยู่ไม่ได้นับถือแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เ ร, เรียกว่าโคตมพุทธะ มีพระพุทิจาที่ชื่อว่ากัคกุสันทโกนาคมกัสปะก็จะมีทั้งสี่องค์เนี่ยอยู่สีทิศที่ไปเห็นนี่เป็นพระพุทิชาที่ชื่อว่ากักุสันโธคนไทยเรียกว่าพระยิ้มแล้วก็บึง้งพระยิ้มแล้วก็บึง้งหรือเรียกสั้นๆว่ายิ้มบึง้งยิ้มบึง้งคือมองไกลๆเนี่ยจะเห็นพระพักรนี้ยิ้มยิ้มสวยงามมาก แตามองเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยลอยยิ้มจะหายกลายเป็นบึ้งอันนี้คนไทยว่านะอาตมาก็เห็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เห็นว่าพระองค์นี่บึ้งแต่ว่าเป็นอาการสงบหรือว่าวางเฉยไม่ถึงกับบึ้งมองไกล ย, ยิ้มมองใกล้สงบวางเฉยอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของพระพุทธองค์นะจริงๆเลย ก็คือว่าพระองค์น้เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เมตา ต, มตากรุณานี่ก็แสดงด้วยอาการที่ยิ้มยิ้มด้วยความรักความเมตตาเหมือนกับที่พระองค์สอนภาษาวกว่าให้ให้มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักเป็นภาษาของพระองค์นะให้มองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักก็แสดงออกมาที่รอยยิ้มได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของพระองค์ก็คือสงบ แล้วก็วางเฉยวางเฉยกับเรื่องอะไรก็วางเฉยกับเรื่องโลกธรรมโลกธรรม8วางเฉยกับเรื่องที่ชีวิตมันมีขึ้นมีลงวางเฉยต่อความแปรปวนผันผวนของมนุษย์ของโลกโลกธรรม8ก็คือลาบยศสุขสารเส ร, ริญได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเส ร, ริญเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาแล้วก็ทุก นี่คือโลกธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้โลกหรือหมู่สัตว์เนี่ยมันหมุนวนอยู่ในสุขและทุกข์หรือวนหมุนเบียนวนอยู่ในวัฏะสงสารเมื่อไปยึด ต, ติดมันเข้าคนเราสึกหรือทุกข์มันก็แค่นี้แหละก็คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยดเสื่อมยศสารเสินินทา แล้วก็สุขโภเทนาทุกคโภเทนาแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อได้รับชื่อเสียงความสารเสริญหรือว่ามีลาบสักการะพระองค์ก็ไม่ได้ยินดีก็สงบนิ่ ง, งนะเมื่อพระองค์ถูกตำหนิถูกใส่ร้ายหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคชราหรือว่าประสบความ ลำบากในการขบฉันอย่างบางเมืองนี่ก็ไม่มีอาหารจะฉันตลอดพรรษาเลยชีวิตของพระพุทธองค์ก็เป็นชีวิตที่ไม่ได้รับลื่นแม้ว่าจะตัดสรตวธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ลับลื่นแต่ก็ไม่ได้ถึงเลวร้วายอย่างขนาดพระเยซูนะพระเยซูนี่ถูกทรมานถูกตรึงกางเขนจนตายแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอินเดียกับประเทศ อิสราเอลมันต่างกันคนอินเดียเขาเป็นคนที่ใจกว้างนะเขายอมรับความเห็นที่แตกต่างกันได้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคนอินเดียนี่ขึ้นชื่อว่าชอบเนะถียงเถียงขอใช้เถียงไว้ก่อนแต่ว่าไม่ค่อยถึงกับลงไม้ลงมือนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาระหว่างฮินดูกับมุสลิมนี่อีกเรื่องนึงนะจะฆ่ากันตาย นะแต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดเขาเถียงกันได้ไม่ถึงกับฆ่าแกงกันแต่ถ้าเป็นประเทศอิสราเอลในสมัยพระเยซูนี่ไม่ได้เอาถึงตายนะเพราะความยึดติดในศาสนามันมีสูงอันนี้พระองค์เนี่ยนะก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าพระองค์นี้นิ่งเฉยไม่ว่าจะประสบกับอิทธารมอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่ายินดีหรือว่าอนิธารมคืออารมณ์มออมที่ไม่น่ายินดี พระองค์ก็วางเฉยได้ที่วางเฉยได้นี้เพราะอะไรก็เพราะทรงมีปัญญาทรงมีปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่นายึดถือมันไม่นายึดมั่นถือมัน่นมันไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารนอกจากมันจะไม่เที่ยงแปรปวนไม่ยั่งยืนแล้วมันกม็มีอะไรที่เป็นแก่นสารสิ่งที่เรียกว่าดีมันก็เป็นสมมุติเท่า น, นั้นเองสิ่งที่เรียกว่าชั่วก็เป็นสมมุติแม้แต่ สัตว์บุคคลเราเขาที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าสัตว์อันนี้ก็สมมติแม้แต่เรียกพระองค์ว่าพุทธะก็สมมุติเคยมีพราหมณ์เห็นรอยเท้าพระพุทธองค์นี่งามมากมีรอยมีธรรมจักรมีลายธรรมจักรอยู่บนฝาเท้าอันนี้ดูจากรอยเท้าก็ เ, เกิดศรัทธานะก็เดินตามไปกราบทูลถามพระพุทธเจา้าว่าพระองค์นี่เป็นเทวดาหรือเปล่าพระองค์ก็บอกไม่ใช่ ถามาพราะองค์เป็นคนทันคนทันก็เป็นเทวดาอีกชนิดหนึ่งนะที่เก่งในเรื่องดนตรีเป็นท่านเป็นคนทันหรือเปล่าผู้เจ้าก็ปฏิเสธท่านเป็นยักษ์ใช่ไหมพรมก็ปฏิเสธและท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าพรมก็บอกไม่ใช่คนนั้นก็เลย ง, งงว่าตกลงผู้เจ้าเป็นเป็นอะไรแนะ่หรือเป็นใครพรมก็ตรัสว่า อาสวะหรือกิเลสที่ทําให้เป็นมนุษย์ที่ทําให้เป็นเทวดาที่ทําให้เป็นคนทันที่ทําให้เป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์นั้นพระองค์ละได้แล้วคือไม่มีกิเลสที่จะทำให้สําคัญตนว่าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์พระองค์ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นคือไม่ได้ยึดถือตัวตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วแต่ก็บอกว่าถ้าจะเรียกพระองค์ก็ให้เรียกพระองค์มาพุทธเถิดพุทธก็เป็นสมมุตินะแม้ทั้งความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดานี่ก็ เราก็เรียกในพ่อมันเป็นสมมุติแต่พอเราไปยึดติดเข้านะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยพาะยึดติดว่ามีตัวกูมีของกูร่างกายนี้คือกูความคิดนี้คือกูจิตนี้คือกูนะมันก็ทุกข์แล้ยิงไปยึดเอาทรัพย์สมบัติมาว่าเป็นทรัพย์สมบัติของกูลูกหลานของกูมันก็ทุกข์เพราะว่าของผู้ที่มันแปรปวน ทรัพนะ ส, สมบัติก็ไม่ยังยืนมีเสื่อมคนเอาขอโมยไปไปยึดมันก็เป็นความทุกขนะ์พระองค์เปลี่ยนมันก็ว่าพวกทรัพสมบัติหรือว่ากามเนี่ยกามนี่หมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเหมือนกับคบไฟนะคบไฟเนี่ยมันให้แสงสว่างก็จริงนะแต่มันก็ร้อนถ้าถือคบไฟคบไฟที่ทาด้วยฟางนะ นึกออกปะ่ะคบไฟทําด้วยฟางเนี่ยจุดไปแล้วมันก็ให้แสงสว่างแต่ก็มีควันควันนี่ก็ระคายระคายเคืองตามันให้สว่างก็จริงแต่ว่ามันมีควันและที่สําคัญก็คือว่าถือไปถือไปเนี่ยมันก็จะไหม้มือถ้าไม่รู้จักวางคบไฟนี้ถือนานมาได้คบไฟที่เป็นทําด้วยฟางนะถือไปได้สักพักพอมันไหมจะถึงมือแล้วต้องวางแล้วไม่งั้นมันไหม้มือคืออย่าไปยึดมันได้นาน ถ้าไปยึดมันนายมันก็จะทุกข์มันก็จะเผามันก็จะทำร้ายเจ้าของทำร้ายคนที่ไปยึดติดจริงๆมันไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วแต่ใครที่ไปยึดติดมันถือคบไฟแล้วไม่ปล่อยนี่ไฟมันก็จะไหม้มือลวกมืออันนี้คือโทษของกามที่ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆกามนี่มันก็เป็นธรรมดานะทรัพสมบัติสิ่งของต่างๆถ้าไม่ไปยึดติดมันมันก็ไม่เป็นโทษมันก็เป็นศัก์แต่ว่า สัต่ตะว่าสิ่งของหรือศักงตะว่าทาตแต่พอไปยึดเข้าแล้วก็เรียกมันว่านี่รถนี่บ้านนี่ทองนี่เงินนะนี่เสื้อผ้าไปยึดแล้วก็ไปติดมันว่ามันเป็นของกูมันเป็นของกูพอไปยึดเข้ามันก็กัดเจ้าของได้เลยพอไปยึดเข้ามันก็กลายเป็นกามขึ้นมาทันทีแล้วกัดเจ้าของอันนี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงมีปัญญาเห็น ก็เลยวางเฉยได้เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยที่ยิ้มเมื่ออยู่ไกลแต่ว่าวางเฉยเมื่อมองใกล้ๆเนี่ยอันนี้ก็แสดงถึงความมีปัญญาปัญญาของพระพุทธองค์ที่เห็นว่าโลกนั้นเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มันไม่น่ายึดถือพระองค์ตัดว่ามันมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นแหละเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันแปรปรวนมันไม่น่ายึดถือพระองค์ก็เลยวางเฉย วางเฉยได้ก็สงบนี่นตมาก็มองแบบนี้นะว่าจริงๆพระองค์ไม่ได้บึ่งหรอกแต่พระองค์นเนี่ยวางเฉยเพราะทรงมีปัญญามีปัญญาถึงขั้นสูงสุดจนเป็นอิสระเพราะพุทธองค์ก็มีคุณสมบัติสองอย่างสำคัญก็คือกรุณากับปัญญาปัญญาก็ทำให้พระองค์เป็นเป็นพระอาหารหันต์พ้นจากกิเลสแล้วก็เมื่อปัญญามีมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัว ก็เปลี่ยนไปด้วยความรักความปรารถนาดีโดยที่ไม่หวังครอบครองไม่หวังผลประโยชน์ความรักมันมี2แบบเนีความรักแบบที่เห็นแก่ตัวหวังประโยชน์ก็เลือกสเสน่หาสิเนหาความรักเช่นระหว่างผัวเมียหรือความรักระหว่างพ่อแม่หรือลูกบางทีมันก็มีผลประโยชน์บางทีก็มีการคิดกําไรขาดทุนอย่างมีแม่คนนึงบอกนี่ชั้นเรื่องลูกมานี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งข้าเมาเทลายนี่รวมแล้วก็ประมาณ25ล้านบาท คิดเป็นเงินเป็นทอเลยนะคิดแบบนี้มันก็แสดงว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งควาหมายความว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยทำกำไรกับคืนมาให้เกิน25ล้านบาทนะลูกก็กลายเป็นการลงทุนแบบหนึ่งของพ่อแมนะ่คิดแบบนี้ก็คือสินเนหาคือรักแบบวางผลประโยชน์นะแต่ลักแบบเมตตาก็คือลักแบบไม่มีเงื่อนไขลักแบบไม่เพ่งแกตัวอันนี้พอเราชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องถือเอา คุณสมบัติสองประการนี้แหละนะเป็นจุดหมายของเราเป็นจุดหมายของเราให้ได้ก็คือว่าไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมด้วยทานศสวินภาวนาก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็กรุณาและความบริสุทธิ์ก็จะมาวิสุทธิคุณนะปัญญาคุณกรุณาคุณวิสุทธิคุณนี่เป็น3อย่างคุณสมบัติ3อย่างของพระพุทธองค์ซึ่งแสดงให้เห็นด้วยพระพุทธรูปแสดงให้เห็นด้วยพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้เป็น เหมือนกับเป็นเป็นวิธีการแสดงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเห็นแล้วจิตใจเราก็สบายเพราะว่าพระองค์นี้ยิม้มด้วยเมตตาแต่ขณะเดียวกันพระพระทุทธรูปที่ดีนี่ก็จะแสดงแสดงเห็นถึงความวางเฉยสงบนิ่งไม่วันไหวนะต่อโลกธรรมแล้วก็จะงดงามบริสุทธิ์สะอาดมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็ต้องถือเอาพระองค์นี่แหละเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่เป็นเครื่องสักการละอย่างเดียวนะถ้าถือเอาพระพุทธเจ้าหรือพระพระรุทธลูกเป็นเครื่องสักการละอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาพระองค์ไว้บนทิ้งแล้วก็สักการละแต่ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองคนเรานับถือพระพระรุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปแบบนี้เนี่ยมันไม่จเจริญเท่าไหร่มันก็ดีตรงที่ว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนเราถ้าไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น, นี่มันก็เป็นทุกข์แต่ว่าต้องคิดต่อไปว่าเออแล้วเราจะจะเจริญลอยตาม หรือตามหลอดพระองค์ได้อย่างไรหมายความว่าจะพัฒนาตนให้เป็นอย่างพระพุทธองค์ได้อย่างไรคือมีปัญญามีกรุณาอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวอันนี้คือการบ้านนะของชาวพุทธซึ่งจะทำได้เนี่ยไม่มีใครทำให้ได้พระพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้พระองค์เป็นเพียงแค่ผู้บอกทางแล้วเราจะทำอย่างไงเราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองขึ้นมาเรามีพระรัตนตรัยเป็นสารณะก็จริงแต่ว่า เมื่อถึงเวลาพัฒนาตนเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้ตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้นัไม่ใช่ว่าจะเอาพัลตานาไตเป็นสาระนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่ว่าไม่พัฒนาตนมันก็ไปไม่รอดก็จะต้องมีความทุกข์แม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วก็ต้องทุกข์ซ้ำซากเพราะว่าไม่รู้จักพึ่งตัวเองพ่อเจ้าก็ตัดยำ้ำนะคนไทยเราชาวพุทธเราก็ได้ยินประจําว่าอัตติอัตโนโนาโถตนนั่นแหะเป็นที่พึ่งของตนแต่ว่า จะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยมันต้องฝึกฝนตนนะผู้ที่ฝึกฝนตนในพระองค์ตรัสไว้ผู้ที่ฝึกฝนตนนะย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากฝึกฝนตนยังไงนะพระองค์ก็สุบสั้นๆก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนะพระองค์ตรัสว่าจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งทําตนให้เป็นเกาะทําตนให้เป็นที่พึ่งด้วยการเจริญสติปัฏฐานก็คือให้ตามเห็นกายตามเห็นใจนะอยู่เป็นประจํา พูงคือว่าให้รักษาให้สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นถ้าลืมกายลืมใจเมื่อไหร่มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจได้ไม่สามารถจะสร้างสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นได้และถ้าเราจะตามเห็นกายตามเห็นใจนก็ต้องมีความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราตื่นชาวพุทธก็คือผู้ที่พยายามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จะตื่นได้ก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวเป็นเบื้องแรกนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้ น, นการพัฒนาตนการฝึกฝนตนนี่สําคัญมากมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันเป็นของยากมันยากยิ่งกว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมากลางทะเลแล้วก็มาจะมาโผล่ตรงห่วงหรือแอกไม้ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ให้มันโผล่พอดีเนี่ยมันยากความเป็นมนุษย์ยากกว่านั้น เพราการที่เราเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเรามีโชคแต่ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกับโชคนั้นมันก็กลายเป็นของศูนย์เปล่าเราต้องพัฒนาตนมนุษย์เราเนี่ยจะประเสริฐได้ก็พระการพัฒนาตนถ้าเราพัฒนาตนแล้วเราก็ประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟังเคารพนบนอ้อมการพัฒนาตนนี่สําคัญและคนเรานี่พัฒนาได้เพราะคนเรามีจิตใจ มีจิตที่ประกอบไปด้วยสติและปัญญาเขาบางทีเขาก็เรียกว่ามีโพธิ์ที่อยู่ในใจมีพุทธะอยู่ในใจแต่เป็นพุทธะที่เรียกว่าเป็นแค่มเมล็ดนะเป็นแค่มเมล็ดซึ่งสามารถเติบใหญ่ได้ต้นประดู่เนี่ยสามปีที่เราเห็นใหญ่ต้นไซใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยก็มาจากเบีย้ยเล็กๆมาจากไนเล็กๆไนของมันเม็ดของมันเนี่ยเล็กนิดเดียว แต่ว่ามันสามารถกลายเป็นต้นไม้ใหญ่โตใหญ่หลายคนโอบได้นะอันนี้ก็หมายความว่ามันมีความสามารถที่จะเติบใหญ่หลายร้อยเท่าจากของเดิมพระพุทธเจ้านี่ก็เปียกัอไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ที่ให้ลมเงาแก่ทุกชีวิตและที่พระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่มีผิดมีพลาด นะที่มีกิเลสนะแต่ว่าพระองค์ก็พัฒนาตนเปรียบเสมือนกับเบีย้ยหรือว่านเล็กๆที่สามารถจะพัฒนาจนเติบใหญ่ได้ในใจเราก็มีเบีย้ยมีนแห่งพุท ธ, ธะอยู่ซึ่งรอรอการบำรุงนะดูแลจากเราบำรุงด้วยอะไรก็บำรุงด้วยกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศลนะพูดก็ดีคิดก็ดีทาก็ดี เป็นทำด้วยสิ่งที่ดีเป็นกุศลและที่สองมันก็คือการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นความรู้สึกตัวนี่แหละนะสติสัปชัญญานี่แหละนะที่มันจะทําให้เป็นเหมือนกับผลเหมือนกับน้ําที่จะหล่อเลี้ยงพุท ธ, ธะในใจเราให้เจริยงอกงามนะจากในจากมเมล็ดเขากลายเป็นเบีย้ยเป็นเต้นต้นก้าจากต้นก้าก็เติบใหญ่ใหญ่ขึ้ น, ใ ห, น, ใ, หนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันนี้เราต้องถามใจเจ้าของดูว่า พุทธาในใจเราโตมาถึงไหนแล้วยังเป็นในเป็นเบี้ยอยู่ด้วยเป็นต้นกล้าหรือว่าค่อยๆโตขึ้นมาแล้วได้แค่ไหนก็อย่าไปท้อยังมีเวลายังมีโอกาสตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ต้องพัฒนาก็ยังสามารถที่จะพัฒนาพุทธาในใจเราให้เติบใหญ่ได้คนเรานี่สามารถพัฒนาตนได้เพราะอย่าว่าแต่คนแม้แต่สัตว์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็ยังพัฒนาได้อย่างที่เรานึกไม่ถึง อาตมาได้อ่านเรื่องของนกแก้วตัวหนึ่งชื่ออเล็กอเล็กนี่มันไม่เพียงแต่พูดภาษาคนได้เยอะเท่านั้นนะบางทีมันยังคิดเหมือนคนเลยหรือที่จริงมันมันมีสติปัญญามาต้องนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคิดยังไงจนกว่ามันจะพูดภาษาคนให้เรารู้นกตัวนี้นี่นฉลาดหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เป็นเหมือนกับ น, นกแก้วนกขุนทองคือจำศัพท์ได้แต่ไม่รู้ความหมายมันนับเลขได้นะ เอาองุ่นมา2เม็ดให้มันมันก็บอกว่าสองเอาข้าโพดมา6เม็ดมันก็นับได้6มันก็เรียกว่า6มันพูดว่า6เอาแก้วมา7แก้วนี่มาวางไว้ถามเลยว่ากี่แก้วมันก็บอก7มันไม่ใช่ท่องเอาเวลามันอยากจะกินองุ่นมันก็บอกอยากกินองุ่นตอนหลังนี่เขาเคยมีการให้มันทดสอบความสามารถนะเอากุญแจสีเขียว ผู้สีเขียวให้มันดูเขาก็ถามว่า2อย่างนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างมันบอกสีคือสีเหมือนกันเป็นสีเขียวแล้วถามว่าอะไรแตกต่างกันบ้างมันบอกรูปร่างรูปร่างต่างกันมันฉลาดมากแล้วเวลามันเบื่อๆนี่มันบอกอยากไปต้นไม้นะเจ้าของก็ต้องพามันไปเกาะกิ่งไม้นะมันรู้ว่าอย่างนี้เรียกต้นไม้แล้วก็มันบอกความในใจว่ามันต้องการอะไรแล้วตอนหลังนี่ตอหลัง เจ้าของเนี่ยนะเขาก็ไปหานกแก้วอมกตัวหนึ่งมาฝึกให้มันพูดภาษาคนแบบอเล็กเนี่ยแล้วก็อเล็กนี่มันก็อวดเก่งนะมันบอกมันก็สอนไอ้นกแก้วตัวน้องบอกพูดชัดๆสิพูดชัดๆสิๆสบางทีมันก็บอกว่าอย่าทำอ่อนแอไปเลยนะมันก็มีอัตรานะมันต้องการสอนว่ามันเป็นพี่ใหญ่เน้นะัน มันก็รู้นะว่าไอตัวน้องนี่มันพูดไม่ชัดนางก็บอกพูดชัดๆเสีเสร็จแล้วพอมันทําอะไรเก่งๆเข้ามันก็ต้องบอกมันก็จะพูดขึ้นมาว่าเด็กดีเด็กฉลาดมันพูดต้องการเพื่อให้เจ้านายชมมันเจ้านายก็บอกจ้าอเล็กเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนกแก้วนะบอแม่นหมาบอแม่นลิงนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพราะว่ามันอายุยืนนะ หมานี่10บกว่าขวบก็ตายแล้วแต่นกแานี่มันอายุได้ถึง30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถสอนมันได้นานเขาก็ไปซื้อมันมาจากตลาดนะเพื่ได้เลือกว่าเป็นนกแก่พิเศษแล้วนกแก่นี้ที่มันฉลาดเพราะมันอยู่เป็นฝูงมันอยู่เป็นฝูงเนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถที่จะทํำหลายๆอย่างแล้วก็พวกนี้นี่มันมันกินผลไม้มันก็ต้องรู้ว่าต้องจําได้ว่าเวลาไหนฤดูไหนไม้ต้นนี้ถึงจะสุกสัตว์พวกนี้มันต้องจําได้เพราะฉะนั้นมันมีความฉลาด แต่ว่ามนุษย์เราคิดว่ามันโง่ตอนหลังนี้เขาก็มาฝึกฝึกจนกระทั่งมันทําอะไรเกินกว่านกแก้วแต่มันตายไปแล้วนะเพิ่งตายไปเพราะว่าอายุมากแล้ว30ปีก็ตายอันนี้เห็นแล้วโอ้ยขนาดนกแก้วนี่ยังฝึกให้ทําอะไรที่ที่เหนือกว่านกแก้วธรรมดาได้เรียกว่าเหนือกว่าความสามารถที่มันมีที่ธรรมชาติให้มาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มานี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ พัฒนามันยังไงอย่างที่บอกว่าเต่าเนี่ยมันก็วิ่งช้ากว่ากว่ากระต่ายแต่ถ้าเต่ามันมีความเพียรมันมีการฝึกฝนดีมันก็วิ่งชนะกระต่ายเพราะกระต่ายมันประมาทนะแต่เต่าอนี่ไม่ประมาทต้นทุนที่เต่ามีมันน้อยนะแต่ว่ามีการพัฒนาก็ทำให้สามารถจะใช้ต้นทุนที่มีอยู่เนี่ยเอาชนะกระต่ายได้คนเราก็เหมือนกันนะ คนเราก็มีต้นทุนในใจคือสติปัญญาและถ้าเราพัฒนาตนเนี่ยเราก็จะฉลาดเราก็จะเจะลอยๆตามอย่างพระพุทธองค์ได้อเล็กเนี่ยหรือนกย่าตัวนี้เนี่ยมันพัฒนาได้เพราะมันต้องอาศัยครูนะต้องอาศัยคนสอนแต่คนเรานี่พัฒนาตนเองได้คือไม่ต้องมีคนสอนก็ได้ไม่ต้องมีคนสอนแต่เราเรียนรู้เองเรียนรู้จากธรรมชาติเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาด อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์เราประเรสริฐกษัตริย์ตรงนี้คือเราเรียนรู้โดยตัวเองได้ถึงแม้จะไม่ต้องมีครูแต่ถ้ายิ่งมีครูได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อย่างพวกเราที่มาที่นี่ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเป็นศาสนาสําคัญเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นมันก็เป็นพี่คนะอยช่วยให้เราได้พัฒนาตนแต่เราก็ต้องรู้จักเรียนรู้โดยตัวเองด้วย อันนี้ก็ทำให้เราพัฒนาจนกระทั่งปัญญาและกรุณาเจริญก้าวหน้าจนพ้นทุกข์แล้วก็สามารถช่วยให้คนได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยความไม่เห็นแก่ตัว